สเพเหระธรรมเจ็ดตอนสัจจะโดยจูออนชอบไหมครับที่ต้องทนฟังคำมั่นสัญญาต่างๆที่ใครต่อใครให้ไว้แม้แต่ตัวเองให้สัญญากับตัวเองแต่ไม่เคยทำได้สักทีและผมเองก็เป็นบ่อยซสย ด, ด้วยพูดง่ายแต่ทำยากเป็นวลีที่เป็นจริงอย่างที่สุดกับสังคมปัจจุบันแม้แต่เลี้ยงข้าวเพื่อนตัวเอง ก็ยังทำได้ยากก็เงินยังไม่พอยาไส้ตัวเองเลยฮะแล้วนับประษาอะไรกับการลดน้ำหนักเป็น10สิ10กิโลกรัมหรือการให้คำมั่นสัญญาของพ่อที่มีต่อลูกว่าจะกลับมากินข้าวเย็นที่บ้านแต่ก็ไม่เคยจะทำได้นักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่หละหลายคนของเมืองไทยที่เคยอ่านัน ผ, านผ่านตามาทั้งหมดมีข้อคุณธรรมที่เหมือนอนกันคือการรักษาสัจจะ เพราะความน่าเชื่อถือของบุคคลที่เป็นเจ้าของกิจการมีความหมายมากกว่าหนังสือสัญญาทางธุรกิจที่ยาวเป็นร้อยๆหน้าทั้งที่มันเป็นการตกลงการค้าที่มีมูลค่าเป็นพันเป็นหมื่นล้านแล้วคุณอยากให้ลูกเชื่อถือเชื่อมัน่นพ่อแม่ของตัวเองหรือเปล่าผมค่อนข้างแน่ใจว่าทุกคนต้องการให้เป็นอย่างนั้นคำพูดแต่ละคำของพ่อแม่ของลูก มีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของลูกมากมายทีเดียวไม่เชื่อก็ลองไปดูละครน้ำเน่าตามทีวีช่องต่างๆได้นะครับแม้ว่าบทละครจะโอเวอร์ไปสักนิดแต่ผลแห่งการกระทำเป็นจริงเสมอวัยรุ่นสมัยเนี้ต้องคู่กับความรักจริงไหมครับเพราะเป็นประสบการณ์อย่างหนึง่งที่วัยรุ่นกระหายที่จะเรียนรู้ก็คือเรื่องนี้แหละครับและทุกคนคงนึกถึงส่วนประกอบอื่น ที่จะตามมาได้ดีใช่ไหมครับทุกคนที่ต้องการความรักก็ต้องการรักแท้และจะทำยังไงให้เกิดรักแท้อันเนี้ยไม่ค่อยจะมีใครคิดออกพระพุทธองค์ได้ให้หลักสี่ข้อเป็นหลักการง่ายๆให้พวกเราพิจารณาว่าคนเนี้ยเหมาะกับเราหรือไม่หนึ่งศรัทธาคนที่เราจะเลือกมาเป็นคู่มีความรู้สึกนึกคิดมีความเชื่อมีความเห็น คล้ายกันหรือไม่ 2. ศีลคนที่เราจะเลือกมาเป็นคู่มีพฤติกรรมที่ปฏิบัติคล้ายคลยกันหรือไม่ 3. การเสียสละคนที่เราจะเลือกมาเป็นคู่ชอบให้หรือขี้เหนียวแบบเราหรือไม่ 4. ปัญญาคนที่เราจะเลือกมาเป็นคู่มีความคิดความอ่านที่ทันกันหรือไม่ 4หัวข้อใหญ่ๆที่พระพุทธองค์ได้ให้เราไปคิดพิจารณาเลือกคนที่จะมาเป็นคู่และทําให้เกิดรักแท้ขึ้นมาได้แล้วองค์ประกอบสําคัญจริงๆเลยในการใช้ชีวิตร่วมกันก็คือคําพูดและการกระทําที่มีต่อกันและกันสิ่งที่ว่าด้วยการพูดที่พระพุทธองค์ได้ให้ไว้คือห้ามพูดคําโกหกห้ามพูดคําส่อเสียดห้ามพูดคําลินทาห้ามพูดคําหยาบ แถมด้วยการพูดใส่ไข่และพูดเกินความจริงและสำคัญที่สุดก็คือการพูดในเชิงสัญญิสัญญาพูดแล้วไม่ทำตามคู่ของเราก็จะเกิดความไม่ไว้ใจกันพูดแล้วผิดสัญญามากๆเข้าระวังจะกลายเป็นคนสับปรับและอาจโดนตีตราว่าเป็นบุคคลต้องห้ามในสังคมได้นะจะบอกให้จริงๆแล้วความรักมีปัจจัยมากมายกว่านี้เยอะแล้วคุณก็เลือกได้นี่ว่า ต้องการรักแบบไหนแต่สิ่งที่คุณจะต้องรักษาไว้ก็คือสัจจะที่มีต่อตัวเองและคนอื่นแม้ตอนเนี้อาจจะยังไม่เห็นผลเท่าไหร่แต่ชีวิตข้างหน้าต่อไปคุณต้องใส่ใจอย่างมากกับคำแต่ละคำที่จะต้องหลุดออกจากปากคุณแล้วอาจจะไปกระทบกับหูของใครต่อใครไม่รู้ซึ่งอาจจะเกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมาได้โดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจ ที่จะให้มันเกิดขึ้นมาเลยสักนิดเดียวก็ตาม